พระตัยปิฎกเล่มที่สิบห้าโกศลสั่งยุดหรือโกศลสั่งยุดทหาราสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระโคดมพูเจอเรนทรงยืนยันหรือไม่ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบุพพิตรก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเพราะว่าอัตมภาพได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระเจ้าเปเสนทิโกสนทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้สมณราหพบางพวกเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจํานวนมากยกย่องว่าเป็นคนดีคือท่านปุรณาคสปะท่านมคลิโกสารท่านนิกรธ น, นาตบุตรท่านสันชัยเวลันตบุตรท่านปักุทธากัจยานะ ท่านอาชิตะเกศกัมพลสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์ถามว่าท่านทั้งหลายยืนยันตนหรือว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระโคดมผู้เจริญอย่างทรงเป็นหนุ่มโดยประชาติและอย่างทรงเป็นผู้ใหม่โดยบรรพชาทําไมจึงกล้ายืนยันตนละ่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิษสิ่งสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสิ่งสี่อย่างอะไรบ้างคือกษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นงูตัวเล็กน้อยไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อยไม่ควรดูถูกดูหมิ่นภิกษุว่ายังหนุ่ม สิ่งสี่อย่างนี้แหละไม่ควรดูถูกดูหมินว่าเล็กน้อยพระผู้มีพระภาคผู้สุคศ ส, สดาได้ตรัสเวียาการณาภาษิทินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่านรชนไม่ควรดูถูกหมินกษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลผู้เป็นอภิชาติผู้มียศไม่ควรดูถูกว่ายังทรงพระเยาว์หลักพระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้ว เป็นกษัตริย์จอมมนุษย์ส่งพิโรธแล้วจะลงพระราชอาชญาอย่างหนักแก่เขาได้ฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์นั้นนรชนเห็นงูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษไม่ว่าจะมีวรรณะสูงและต่ำ หมายถึงมีสันฐานต่างกันงูนั้นพึงฉบกัดชายหญิงผู้เขาในการบางคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นงูนั้นนรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมากลุกเป็นเปลเวไม่ดำเป็นทางว่าเล็กน้อย เพราะไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็กลายเป็นกองไฟใหญ่พึงลามไม่ชายหญิงผู้เเข้าในการบังคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นไฟนั้นอันหนึ่งป่าใดที่ถูกไฟไหม้จนดำแล้วเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปหันยาหรือต้นไม้อย่างงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ ส่วนผู้ใดถูกเดชของภิกษุผู้มีศีลแผดเผาบุตรทีดาและปรุสัตว์ของผู้นั้นยอมพินาศทายาทของเขาก็ยอมไม่ได้รับทรัพย์บรดกเขาเป็นผู้ไม่มีเกลือญาติไม่มีทายาทยอมเป็นเหมือนตานยอดด้วนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นกริส์ผู้มียศงูไฟและภิกษุผู้มีศีล ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนอึงประพฤติโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้ารปเสนที่โกศลได้กราบทูลสรรเสริญพระภาษิตประกาศพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำคาพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ปุริสัตสูตรว่าด้วยธรรมะที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บูรุษเรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าธรรมะเหล่าไหนเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบูรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก ตรตอบว่าธรรมะสามประการเมื่อเกิดขึ้นภายในยจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุขธรรมะสามประการอะไรบ้างคือโลภะธรรมธรรมะคือโลภะความโลภโทสะธรรมธรรมะคือโทสะความโกรธและโมหะธรรมธรรมะคือโมหะความหลง โลภะโทสะโมหะนั้นเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษยอมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุขตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในตนยอมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทามเหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นข้อนี้คือ ต้นภั่เมื่อพอบคุยแล้วไม่นานก็จะตายเชรามรณะสูตรว่าด้วยเชราและมรณะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประทับนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าคนเกิดมาแล้วที่พ้นจากเชราและมรณะมีบ้างหรือไม่ ต, ตอบว่าคนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชราและมรณะไม่มีเลยแม้คติยามหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธั ญ, ญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะคือไม่พ้นจากความแก่และความตาย และแม้พระมหาสารกหาบดีมหาสารก็เช่นกันไม่พ้นจากชราและมรณะไปได้แม้ภิกษุทุกรูปซึ่งเป็นพระอระหันตสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบรมจรรย์ทำกิจที่กวนทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ร่างกายนี้แม้ของรักอรหันต์เหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้งเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าราชรถอันวิจิตย่อมชำรุดแม้สรีระ ก, ก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธรรมะของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้น จึงรู้กันได้ปียสูตรว่าด้วยผู้รักตนเรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าปเสนที่โกศลกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าวันนี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ส ง, งัดเกิดความคิดคำหนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักตน ชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ชนเหล่าไดประพฤติกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ไม่รักกัน ทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทําความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนชนเหล่าใดประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนก็ตาม ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้ที่รักกันทําความเจริญใดให้แก่ผู้ที่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทําความเจริญนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาตรัสยืนยันคําของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าถูกต้องทั้งหมด และตรัสกถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่ารักตนก็ไม่พึงชักนำตนไปในทางชั่วเพราะความสุขนั้นบุคคลผู้มักทาชั่วจะไม่ได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำก็จะต้องละทิ้งพบมนุษย์ไปก็อะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาและเขาจะนำอะไรไปได้ อันนึงอะไรเล่าจะติดตามเขาไปดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นสัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมอันใดคือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแหละเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้อันหนึง่งบุญและบาปนั้นยอมติดตามเขาไป ดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าอัตตรักขิตะสูตรว่าด้วยผู้รักษาตนพระเจ้าประเสนทิโกสล ปราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ส ง, งัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักษาตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักษาตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้น ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกไม่ใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนชนบางพวกประพฤติกา ย, ยสุจจริตวาจีสุจจริตมโนสุจจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าพลช้างพลมา้าพลรถ หรือพ่เดินเทา้าไม่รักษาเขาก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในไม่ใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรับรองคําของพระเจ้าปเสนทิโกศลว่าถูกต้องทั้งหมด แล้วตรัสคถาปรัพันธ์ต่อไปอีกว่าการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่ารักษาตน อบระกระสูตรว่าด้วยสัตว์มีจำนวนน้อยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเล้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วไม่หมัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกาม และไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวน น, น้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โผคักมากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนว น, นมากในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคําของพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าถูกต้องทั้งหมดเราตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัด ก, กล้าในโภคักที่นาใครมักมากห ม, มกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนพวกเนื้อไม่รู้สึกตัวว่ามีบ่วงที่เขาดักไว้ผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวสามอัฏฐกรณะสูตร ว่าด้วยการกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสเสนธิโกสนกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินั่งพิจารณาคดีเห็นคติยะมหาศาลบ้างปรามณะมหาศาลบ้างก้าบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก กล่าวเทจทั้งที่รู้อยู่เพราะ ก, กามเป็นเหตุเพราะ ก, กามเป็นเ้ามูลเพราะ ก, กามเป็นตัวการหม่อมชั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้ไม่สมควรที่เราจะพิจารณาคดีเพราะบัดนี้ราชโอรสนามว่าวิถูธภพผู้มีหน้าชื่นบานจักมาพิจารณาคดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นแล้วตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัด ก, กล้าในโพคักที่หน้าใล้มักมากห ม, มกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนฝูงปลาไม่รู้สึกตัวว่ามีเครื่องดักที่เขาดักไว้ฉะนั้นผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังหลอกกามนั้น มีวิบากเลวสามมลิกาสูตรว่าด้วยเรื่องพระนางมลิกาเทวีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าปเปเสนที่โกศลกับพระนางมลิกาเทวีได้ประทับณปราศาสอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โกศล ได้ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมัลลิกาเทวีได้อุ่นสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีเลยและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าประสเสนทิโกสนตรัสว่า มาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราก็ไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าเปเสนที่โกรธสนเสด็จลงจากปราสาสเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ตรัสกับพระนางมลริกาทั้งหมดให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงได้ตรัสคถานี้ในเวลานั้นว่าบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครที่ไหนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยสัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่กวนเบียดเบียนผู้อื่นยัญยะสูตรว่าด้วยการบูชายั์ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศนได้ตรับเตรียมการบูชามหายันคือโคตัวผู้ตัวเมียอย่างละห้าร้อยลูกโคตัวเมียห้าร้อยแพะห้าร้อยและแกะห้าร้อยตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชาแม้ข้าราชบริพารของพระเจ้าปเสนทิโกศนนั้นผู้เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้น ก็ถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทำบริกรรมอยู่ครั้นเวลาเชา้าภิกษุจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันพัตนาหารเสร็จแล้วเข้าไปเป้าพระผู้มิพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลถึงเรื่องที่พระเจ้าประเสนที่โกศนได้เตรียมสัตว์ไว้จานวนมากเพื่อฆ่าบูชายัญ ครั้งนั้นพระผู้มิพระภาทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคถาเหล่านี้ในเวลานั้นมหาญันที่มีกิริยามากเหล่านั้นคืออัศวเมธะการฆ่าม้าบูชายันปุริสเมธะการฆ่าคนบูชายันสัมมาปาสักการทำบวงและกว้างไม้ลอดบวงไม้ตกที่ไหนทำการบูชายันที่นั่นว่าจะเปยยาก การดื่มเพื่อพลังหรือเพื่อชัยชนะนิรักขละคือการฆ่าครบทุกอย่างบูชายันมหายันห้าประการของพราหมณ์เหล่านี้ไม่มีผลมากเพราะพระอริยผู้ปฏิบัติชอบสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ยอมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆส่วนยันใด ไม่มีกิริยาเอื้ออํานวยประโยชน์ประชาชนบูชาตระกูลทุกเมื่อคือไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆ่างพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมเกี่ยวข้องกับยันนั้นนักปราชญ์พึงบูชายันนั้นที่มีผลมากเพราะเมื่อบูชายันนั้นนั่นแหละย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่ว ยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็ยังเลื่อมใสพันธนะสูตรว่าด้วยเครื่องจองจำสมัยนั้นหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชื่อกบางพวกถูกจองจำด้วยขือข่อคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน ครั้นเวลาเช้าภิกษุจํานวนมากเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังชันพัทหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถึงเรื่องการจองจานี้ให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราดทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจาที่ทาด้วยเหล็ก ทำด้วยไม้และทำด้วยยากว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกำนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีและความอาลัยในบุตรและพัญญาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงนักประดิ์ทั้งหลายกล่าวถึงเครื่องจองจำที่มีความกำนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีเป็นต้นนั้นที่ต่ําย่อน แก้ได้ยากว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงทีรชนตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยละกา ม, มาสุขเสียได้ทุติยวคหมวดที่สองสัตตชดินละสูตรว่าด้วยฉดินเจ็ดคน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิขาวรมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระราชมาบัตทแล้วประทับนั่งที่นอกสุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควร สมัยนั้นชดินนิครณอเจลกะเอกสซาตะกะและปริภาชกพวกละเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริการต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านใดนั้นพระเจ้าประเสริฐทีโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับทรงห่มพระผูสาชเวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมนฑลเบื้องขวาณพื้นแผ่นดิน ประนมมือไปทางสดินนิครนเจลกะเอกสาตะกะบริภาชกพวกละเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาเปรเศรษฐิโกสลลำดับนั้นเมื่อเหล่าสดินและนิครนเป็นต้นนั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าเปรเศรษฐิโกสนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาท แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตธรรมักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษพระองค์เป็นขฤหัดบริโภคกามครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาทาจุรนจันอันนำมาจากแคว้นกาสี ส่งมาลาของหอมและเครื่องรูปไลยินดีเงินทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอาหารหันต์หรือว่าคนพวกนี้บรรลุอารหาัตธรรมมหาบาพิษศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดจะพึงรู้ได้ด้วยการเจรจากำลังคือชาญจะพึงรู้ได้ในกราวมีอันตราย ปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาเพราะว่าศีลความสะอาดกำลังปัญญาสิ่งเหล่านี้นั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยคือไม่ใช่เวลาอันสัน้นผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญา รู้ไม่ได้พระเจ้าพเพเสนที่โกศลกราบทูนสรรเสริญพระพาสิทธและกราบทูนต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของข้าพระองค์เป็นบุรุษสอดแนมเป็นสายลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันกลับมาข้าพระองค์จะรู้เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมาบัดนี้คนเหล่านั้น คงจะชำระล้างละอองทุลีนั้นแล้วอาบสะอาดดีรูปไล้ผิวดีแล้วกวนผมนนหนวดนุ่งห่มผ้าขาวเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณห้าบำเรอข้าพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้รู้ดีไม่ควรไว้วางใจใครเพราะผิวพธุ์และรูปร่าง ไม่ควรไว้วางใจใครเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สํารวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเรานักบวชผู้สํารวมดีแล้วนักบวชเหล่านั้นผู้ไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกดุจตุ้มหูดินและเหรียญโลหะเครื่องมาศ คุมด้วยทองคำปลอมไว้ปัญจราชสูตรว่าด้วยพระราชาห้าพระองค์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระราชาห้าพระองค์มีพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงเป็นประมุขผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมาคุณห้าได้รับบำเรออยู่ มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งการทั้งหลายบรรดาพระราชาเหล่านั้นบางองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งการทั้งหลายบางองค์ตรัสว่าเสียงเป็นยอดแห่งการทั้งหลายบางองค์ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งการทั้งหลายรสเป็นยอดแห่งการทั้งหลายโอทัพะการสัมผัสถูกต้องทางกาย เป็นยอดแห่งกามทั้งหลายในขณะนั้นพระราชาเหล่านั้นไม่อาจจะตกลงกันได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสชวนพระราชาเหล่านั้นให้ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยกันต่อมาพระราชาห้าพระองค์นั้นได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทและกราบทูลถามเรื่องที่ว่าอะไรเป็นยอดแห่งการมทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษ ท, ที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละอัตมากล่าวว่าเป็นยอดในการมาคุณห้ารูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดําริเต็มรอบด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประนีตกว่า เขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสําหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปยอดเยี่ยมสําหรับเขาและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปเสียงเหล่าใดปลินเหล่าใดรถเหล่าใดโพทพภะเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนโพทิภะเหล่านั้น ไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดําริเต็มรอบด้วยผดทพะเหล่าใดพธทพะอื่นจากผธทพะเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประนีต ก, กว่าเขาก็ไม่ปรารถนาผดทพะเหล่านั้นเป็นผดทพะที่ดียิ่งสําหรับเขาพดทพะเหล่านั้นเป็นผดทพะยอดเยี่ยมสําหรับเขาสมัยนั้น จันทนังกลิกะอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลุกจากที่นั่งโหมผ้าฉเวยงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจันทนังคลิกะเหตุนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่าดอกปทุมชื่อโกกนุตบานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิน่นยังหอมอยู่ฉันใดท่านจงดูพระอังกีรส ผู้ภายโรดอยู่ดุจ ด, ดวงอาทิตย์รุ่งโรดอยู่ในอากาศฉันนั้นลำดับนั้นพระราชาห้าพระองค์ทรงให้จันทนังกะลิกะอุบาสกหอมผ้าห้าผืนทันใดนั้นจันทนังกลิกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงหอมผ้าห้าผืนเหล่านั้น โทนปากัสูตรว่าด้วยการหุงข้าวสารทนานหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประเสนทิโกสลสเสวยพระกยาหารที่หุงด้วยข้าวสารทนานหนึ่งเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สงควรครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศนสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ตรัสขาถานี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนสมัยนั้นมานพชื่อสุทธัสนะ ยืนอยู่เบื้องพระปริสดารของพระเจ้าประเสนธิโกสลพระเจ้าประเสนทิโกสลรับสัง่งเรียกสุทัศน์มานพมาตรัสว่ามานี่เนะ่ยสุทัศนะเจ้าจงเรียนคถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาที่เราเสวยพระกรยาหารอันหนึ่งเราจะให้ค่าอาหารแก่เจ้าวันละหนึ่งกหาปณะนะ สุทัศน์มานกรับสนองพระดํารัสพระเจ้าประสันธิโกศลว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะแล้วเรียนคถานี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวในเวลาที่พระเจ้าประสันธิโกสนเสวยพระกรยาหารว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืน ครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐโกศลทรงดำรงอยู่ได้โดยเสวยพระกยาหารทนานหนึ่งเป็นอย่างมากเรื่อยมาต่อมาพระเจ้าประเสริฐทิโกศลมีพระวรากายกระปรี้กระเป๋าทรงลูบพระวรากายด้วยฝ่าพระหัตทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริงปัธรมสังคามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าอัชาตสตรูเวเทหีบุตรผู้กรองแควนมคตทรงจัดจัดตรงคกกินีเสนา คือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเทา้ายกไปรุกรานพระเจ้าเปรษเ์ที่โกรศนทั้งแคว้นกาสีพระเจ้าเปรษณที่โกรธโศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหีบุตรยกทัพมาจึงทรงจัดจัตุรงค์ขี่นีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งสองพระองค์ทรงทำทรงครามต่อกันทรงครามครั้งนั้น พระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหีบุตรผู้ครองแควนมคตทรงชนะพระเจ้าปเปเสนธิโกศนฝ่ายพระเจ้าปเปเสนธิโกศลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จลาทับกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์ครั้นเวลาเช้าภิกษุจํานวนมากเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันพัตฐารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสแล้วกราบทูลเรื่องสงครามนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าอาจารัสตรูเวเทหีบุตรผู้ครองแควนมคตมีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี วันนี้พระเจ้าประเสียนที่โกศลทรงพ่ายแพ้มาแล้วอย่างนี้จัดบัรทมเป็นทุกตลอดราตรีนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุกดศาดาจึงได้ตรัสคาาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุข ทุติยสังคามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่สองครั้งหนึ่งพระเจ้าอาจาสัตรูเวเทหีบุตรทรงยกทัพไปรุกรานพระเจ้าปเปเสนที่โกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงสดับข่าวจึงยกทัพออกไปต่อสู้เพื่อป้องกันแคว้นกาสีสงครามครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โกศล ทรงชนะพระเจ้าอาชาสตรูและได้จับเป็นเฉลยศึกพระเจ้าเปเสนที่โกศลได้มีพระดำริ ด, ดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาสตรูเวเทีอีบุตรผู้ครองแควนมกฎนี้จะประทุษร้ายเราผู้มีได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาสตรูเวเทยีบุตร แล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปครั้นเวลาเชา้าภิกษุจํานวนมากเข้าไปบินทบาทหลังกลับจากบินทบาทฉันพัตนาหารเสร็จแล้วได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบถึงเรื่องนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนจะแย่งชิงได เทาที่การแย่งชิงนั้นจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นก็กลับถูกเขาแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใดคนพาลย่อมสําคัญบาปว่าเป็นของดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุก ผู้ฆ่ายอมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะยอมได้รับการชนะตอบผู้ดา่ายอมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธยอมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกาให้ผลผู้แย่งชิงนั้นยอมถูกเขาแย่งชิงไป ปัตมะอัปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วเดชกุณฑาพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้า มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่ามหาบุพพิธธรรมะอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองอย่างไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่พระเจ้าประสเสนิโกสนทูลถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรตรัสตอบว่าธรรมะอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้าไว้ได้คือความไม่ประมาทรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างบัณฑิตกล่าวว่ารอยเท้าช้างเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่ฉันใดมหาบพิษ ธ, ธรรมะอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือประโยชน์ในปัจจุบันและในภายหน้าคือความไม่ประมาทก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลเมื่อปรารถนาอายุความไม่มีโรควันนะสวรคร์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอย่างโอลานต่อๆไปพึงทำความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลายย่อมสัรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองทโรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าทุติยั ป, ปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่สอง เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าเะเสนที่โกศลประทับนั่งนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคิดคำหนึง่งเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้หลีกเร้นอยู่ในที่ส ง, งัดอย่างนี้ว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นธรรมะสาหรับผู้เป็นมิตรดี หมายถึงมิตรที่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นมีสหายดีคือเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนดีหมายถึงเพื่อนที่รักใกล้สนิทสนมรู้ใจซื่อสัตย์ต่อกันธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นธรรมะสําหรับผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สําหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลว พระผู้มีประภาคตรัสว่ามหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นแล้วตรัสว่าครั้งหนึ่งอัตมาภาพอยู่ที่นิคมของหมู่เจ้าส ก, กัยยะชื่อว่านครกะในแคว้นสักกะครั้งนั้นภิกษุอาโ น, น์เข้าไปหาอัตมาภาพถึงที่อยู่อภิวาแล้วนั่งหน้าที่สมควรกล่าวกับอัตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งอัตมาภาพกล่าวว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอาโนนที่จริงความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงมรซีพนซีวิ ช, ชาสามและอภิญญาหกอานน์ ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยามรรคมีองค์8ดทำอริยามรรคมีองค์8ปดให้มากข้อนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิอนอาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะความกลายกำนัดอาศัยนิโรธความดับ น้อมไปในโวสักคะคือความสละและโดยในยะเดียวกันจเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุผู้มีมิตรสหายเพื่อนดี เจริญอริยามรกมีองค์แปดทำอริยามากมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลอันหนึง่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรสหายเพื่อนดีเป็นปรมาจันทร์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบเรืป ร, ริยายนี้ด้วยว่าเหล่าสัตว์ผู้มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดาย่อมผลจากชาติเหล่าสัตว์ผู้มีชาราคือความแก่เป็นธรรมดาย่อมผลจากชารา เหล่าสัตว์ผู้มีมรณะคือความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะเหล่าสัตว์ผู้มีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรดี ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นปรมจันทร์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แหลเพราะเหตุ น, นั้นแหลมหาบุพพิตรพระองค์พึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพระองค์ผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงอาศัยธรรมะอย่างหนึ่งนี้ คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เถิดเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่นางสนมผู้ตามเสด็จจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จักเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่และโดยในยะเดียวกัน แม้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ตามเสด็จแม้กองทัพแม้ชาวนิคมชาวชนบทต่างก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่เอาเถิดแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่มหาบพิธเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้พระองค์เอง ก็จักเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วแม้ท้องพระคลังก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเมื่อปรารถนาโภคะยิ่งยิ่งขึ้นไปบัณฑิตทั้งหลายย่อมสันเสริญความไม่ประมาทในการทาบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองทีระชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าปทมอปุตตะกัสูตรว่าด้วยซับที่ไม่มีบุตรสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ ย, ยังวันถวายอภิวาทและประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ ย, ยังวันพระเจ้าเปเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกหับดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้ถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพระองค์ให้กลนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วจึงมาเข้าเฝ้าเฉพาะเงินเท่านั้นมีแดล้านส่วนเครื่องเงินนั้นไม่ต้องพูดถึงอันหนึง่งข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารเช่นนี้คือบริโภคปลายข้าวกับน้ำผักดองได้ใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเช่นนี้ คือนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบที่ตัดเป็นสามชิ้นเย็ยบติดกันใช้รถเก่าๆกั้นร่มทำด้วยใบไม้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นอสัตว์บุรุษได้โภคะมากมายแล้วไม่ทำตนให้มีความสุขสำราญไม่ทำมารดาและบิดาให้ได้รับความสุขสำราญ ไม่ทำบุตรและพัญญาให้ได้รับความสุขสำราญไม่ทำทาและกรรมกรให้ได้รับความสุขสำราญไม่ทำมิตรอัมมาตคือเพื่อนและเพื่อนร่วมงานให้ได้รับความสุขสำราญไม่ตั้งทัศนาอันมีผลในเบื้องบนมีผลอันดีมีวิบากเป็นสุขและเป็นไปเพื่อสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโอเคเหล่านั้นของเขาที่มิได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้ พระราชาทั้งหลายริบไปบ้างโจรทั้งหลายปล้นไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำพัดไปบ้างทายาทั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักนำไปบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบยอมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยมหาบพิทในถิ่นอมนุษย์มีสระบุคธรณีซึ่งมีน้ำใสยเย็นจืสนิท ใสสะอาดมีท่าน้าดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนไม่ตักเอาไปไม่ดื่มไม่อาบหรือไม่ทำตามที่ต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นน้ำที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบนั้นพึงเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยแม้ฉันใดสัตย์บูรุษได้โภคคะมากมายแล้วไม่ทำตนและคนรอบข้างให้ได้รับความสุขสาราญเป็นต้นนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบย่อมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยฉันนั้นเหมือนกันมหาบาพิดส่วนสัตว์บุรุษได้โภคะมากมายแล้วทำตนมารดาบิดาบุตรพันยาทาตกรรมกรมิตรละอมาตให้ได้รับความสุขสาราญตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องต้น มีผลอันดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโภโอคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็ริบไม่ได้โจรทั้งหลายก็ปล้นออกไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำก็พัดไปไม่ได้ทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักก็นำไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ โอคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยอยู่โดยชอบย่อมมีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่ามหาบัวพิศในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมมีสะบกเขรณีซึ่งมีน้าใสเย็นจืดสนิทใสสะอาดมีท่าน้าดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนตักไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทำตามที่ต้องการบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ น้ำที่ใช้สอยอยู่โดยชอบนั้นชื่อว่ามีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าแม้ฉันใดสัตบุรุษได้โภคะมากมายแล้วทำตนและคนรอบข้างให้ได้รับความสุขสาราญเป็นต้นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยอยู่โดยชอบย่อมมีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าฉันนั้นเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคผู้สุกตศาสดาได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าน้ำเย็นในถิ่นอมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้สอยย่อมเหือดแห้งไปฉันใดทรัพย์ที่คนชั่วได้แล้วตนเองไม่ได้ใช้และไม่ให้คนอื่นใช้ก็เสียไปเปล่าฉันนั้นส่วนวินยูชนผู้มีปัญญานั้นได้โผล่คากแล้ว ย่อมใช้สอยและประกอบกิจการงานเขาเป็นคนอาจหารเลี้ยงดูหมู่ญาติไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทุติยัคอปุตกะสูตรว่าด้วยซัพที่ไม่มีบุตรสูตรที่สองครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนทิโกสล ข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขาหาบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้ถึงแก่กรรมแล้วข้าพระองค์ให้คนทรัพสมบัติที่ไม่มีบุตรนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วก็มาเข้าเฝ้าเฉพาะเงินเท่านั้นมีสิบล้านส่วนเครื่องเงินนั้นไม่ต้องพูดถึงขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้น ได้บริโภคปลายข้าวกับน้ำผักดองนุ่งห่มผ้าเนื้อยาบที่ตัดเป็นสามชิ้นใช้รถเก่าๆกัก้นร่มทำด้วยใบไม้พระผู้มีพระภาตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องเคยมีมาแล้วขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้สั่งให้จัดเตรียมบิณฑบาตถวายพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตักราสิกี สั่งว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารบิณทบาดแก่สมณะแล้วลุกจากอาสนะเดินจากไปภายหลังได้มีความเสียดายว่าอาหารบินทบาดนี้ให้ทาสหรือกรรมกรบริโภคยังดีกว่านอกจากนี้เขายังปลิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเหตุอีกด้วยมหาบุพพิตร ด้วยผลของกรรมที่กหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นสั่งให้จัดเตรียมอาหารบิณฑบาตถวายพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าตักราศิกขีเขาจึงบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจ็ครั้งด้วยเศษผลของกรรมนั้นเหมือนกันได้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนิลักะถึงเจ็ดครั้งมหาบพิษด้วยผลของกรรมที่กหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้น ถวายอาหารบินทบาทแล้วภายหลังได้มีความเสียดายว่าอาหารบินทบาทนี้ให้ธาตุอุรการมกรบริโภคยังดีกว่าเขาจึงไม่คิดอยากบริโภคอาหารอันมากมายไม่คิดอยากใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มอันมากมายไม่คิดอยากใช้ยานพาหนะอันโออาไม่คิดอยากบริโภคกา ร, รมคุณห้าที่ดีๆมหาบาพิษ ด้วยผลของกรรมที่กะหาบดีผู้เศรษฐีนั้นเปลิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเหตุเขาจึงถูกไปเผาอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันหลายแสนปีและด้วยเศษผลของกรรมนั้นเหมือนกันทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรรับเอาจึงถูกขนเข้าคลังหลวงนี้เป็นครั้งที่เจ็ดมหาบพิษ ก็บุญเก่าของขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สะสมไว้ในวันนี้ขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรรุวานรกวันนี้ขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นบังเกิดในมหาโรรุวานรกแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศสสดา ได้ตรัสขถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเข้าเปลือกรับเงินทองสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาตกรรมกรคนรับใช้และผู้อาศัยที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเขานำไปไม่ได้จำต้องละทิ้งไว้ทั้งหมดอันหนึ่งบุคคลทำกรรมใดทางกายทางวาจาทางใจกรรมนั้นแล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 หมายเหตุผู้อ่านสำหรับในหลายพระสูตรที่กล่าวถึงการให้ทานก็ขอให้ท่านผู้ศึกษาได้โปรดระลึกไว้เสมอนะครับว่าทานคือการให้การบริจาคนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีในความเป็นจริงแล้วยังมีอา น, นิสงส์สู้การรักษาศีลไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องทำทานก่อนเป็นการกำจัดโลภะในใจนะครับ สำหรับผู้ที่ปรารถนาการบรรลุธรรมและการเกิดในสุคติโลกสวรรค์จริงๆก็ต้องปฏิบัติตนในกุศ ล, ลกรรมบสิท10ประการให้ครบถ้วนด้วยเพราะว่าถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปแม้จะบริจาคเงินมากมายก็อาจไม่ได้ไปสุคติโลกสวรรค์เช่นการผิดศีลก็ทำให้ตกนรกได้แม้ทำบุญไว้มากมายแค่ไหนก็ตาม หรือแม้แต่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่อาจจะไปเกิดในสุขติได้เช่นเดียวกันผู้ศึกษาและผู้เผยแพร่ก็ต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ให้ข้อมูลให้ครบด้านนะครับเพราะว่าปัจจุบันและที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะนำอานิสงส์งของการให้ทานการบริจาคเงินไปสอนญาติโยมหรือเผยแพร่กันทาให้คนยึดติดในการบ้าบุญหวังเอาเงินซื้อสวรรค์ ซึ่งในความเป็นจริงการทำทานเป็นแค่สิ่งเริ่มต้นที่ควรจะทำและต้องทำเท่านั้นยังต้องประกอบด้วยกุศลจิตด้านอื่นและการทำบุญด้านอื่นให้ครบด้านที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ1ิบประการนะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยตติยวัคหมวดที่สาม บุคลาสูตรว่าด้วยบุคคลสี่ประเภทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้ารปเสนที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าเปเสนที่โกศลดังนี้ว่ามหาบุพพิธบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้าง คือบุคคลผู้มืดมาและมืดไปบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปและบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปบุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำเป็นตระกูลยากจน มีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างปืดเครืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและเขามีผิวพันธุ์หม่นห ม, มองไม่น่าดูต่ําเตีย้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบ และเขายัางประพฤติกายอย่าทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาศนรกอุปมาเหมือนบุรุษไปจากความมืดสู่ความมืดมิดหรือไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือไปจากสายเลือดชั่วสู่สายเลือดชั่วแม้ฉันใดมหาบุพพิตร สถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้มืดมาและมืดไปเป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างปืดเครือง มีผิวพรรณหมดนหมองไม่น่าดูต่าเตี้ยมีความเจ็บปวยมากแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบูรุษขึ้นจากแผ่นดินสู่บรรลังหรือขึ้นจากบรรลังสู่หลังมา้าหรือขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือขึ้นจากคอช้าง สู่ปราศาสตแม้ฉันใดมหาบุพพิทธทศาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมหมฉันนั้นบุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลคติยะมหาศาลรามหาศาลหรือขหาบดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคค้ามากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมายและเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณปุดผ่องยิ่งนักได้ข้าวน้ำดอกไม้ของหอมที่นอนที่พัก แต่เขาประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตมนโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอุปมาเหมือนบุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังมา้าหรือลงจากหลังม้าสู่บันลังหรือลงจากบันหลังสู่พื้นดินหรือลงจากพื้นดินเข้าสู่ที่มืด แม้ฉันใดมหาบพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมายฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปเป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลคติยามหาศาลปรามณามหาศาลหรือกษับดีมหาศาลเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมีทองและเงินมากเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันพธุ์ผุดพองยิ่งนักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมและเขาก็ประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนบุรุษก้าวไปด้วยดีจากบรรลังสู่บรรลังหรือก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังมา้าหรือก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือก้าวไปด้วยดีจากปราศาสูส่ปราศาส์แมชันใดมหาบาพิษตถาคตกล่าวว่า บุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้แหละมาฮาบพิษบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเว ย, ยากรณภาสิสนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามาฮาบพิษ บูรุษเข็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนตรนีเหนียวแน่นมีความดำฤริ์ชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อด่าบริพาสสมณะหรือพรามหรือว่านิพพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักโกรธยอมห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน คนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาและมืดไปมหาบพิษบุรุษเข็นใจแต่มีศรัทธาไม่มีความตรณีมีความดําริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณนะหรือพรามหรือว่านิพกอื่น ย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กําลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กําลังขอมหาบพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรที่พยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแต่สว่างไปมหาบพิษ บุรุษมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนตรนีเหนียวแน่นมีความดำ m ริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอือเ้อเฟื้อดาบริพาสสมณพราหมณ์หรือว่านิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักโกรธย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและมืดไปมหาบาพิุรปษมั่งมีทั้งมีศรัทธาไม่มีความตรนีมีความดําริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ่านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณพราหมณหรือว่านิพพกอื่นๆ ย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้สิ่งของเครื่องใช้แก่คนที่กำลังขอมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนคนเช่นนั้นเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงไตรทิพยสถานบุคคลประเภทนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาและสว่างไปไอยิกาสูตร ว่าด้วยพระอัยิกาของพระเจ้าประสเสนที่โกศลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มิพระภาทถึงที่พระทับกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอายิกาของข้าพระองค์ทรงพระชราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไว มีพระชน120่งร้อชันษาได้ที่วงคตเสียแล้วพระองค์เป็นที่รักเป็นที่พอใจของข้าพระองค์มากหากข้าพระองค์ใช้ช้างแก้วแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอายิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งช้างแก้วเพื่อให้สมหวังว่าขอพระอายิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลย และโดยในยะเดียวกันหากข้าพระองค์งใช้ม้าแก้วแรกแล้วจะพึงได้สมหวังหากใช้บ้านสวยแรกแล้วจะพึงได้สมหวังหากใช้ชนบทแรกแล้วจะพึงได้สมหวังหากข้าพระองค์งใช้ม้าแก้วหรือใช้บ้านสวยหรือใช้ชนบทแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอัยกาของเราอย่าได้ที่วงโคตเลยข้าพระองค์งก็พึงให้แม้ซึ่งม้าแก้ว หรือบ้านสวยหรือชนบทนั้นเพื่อให้สมหวังว่าขอพระอีิกาของเราอย่าได้ที่วงโคตรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนาอัศจรรย์จริงพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ลวงพ้นความตายไปได้ เพราะผู้มีพระภาตรัสว่ามหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มหาบพิษภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งดิบและสุกภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่พ้นความแตกไปได้ แม้ฉันใดมหาบพิษสัตว์ทั้งปวงก็มีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ลวงพลนความตายไปได้ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้สุคศ ส, สดาได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งปวงจกตายและชีวิตมีความตายเป็นที่สุด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 โล ก, กัสูตรว่าด้วยธรรมะที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสัยที่โกศลกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะเท่าไรหนอเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุข พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษธรรมสามประการเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุขธรรมสามประการนั้นได้แก่โลภธรรมโทสะธรรมโมหะธรรมคือความโลภความโกรธความหลงธรรมสามประการนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุขพระผู้มีพระภาคตรัสคทถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทาร้ายบูรุษผู้มีจิตเลวซามดุดขุยไัยกำจัดต้นไผยฉะนั้นข้อนี้คือเมื่อต้นไัยออกขุยไม่นานก็จะตาย อิกสัตสูตรว่าด้วยทานที่ประกอบด้วยองค์ห้ามีผลมากเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสเสนท่โกสลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลควรให้ทานณที่ไหนตรัสตอบว่ามหาบวพิษจิตเลื่อมใสในที่ใดหลัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ให้ในที่ไหนจึงมีผลมากมหาบาพิษบุคคลควรให้ทานในที่ไหนนั่นประการหนึ่งและทานที่ให้ในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นประการหนึ่งทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากทานที่ให้ในผู้ทุศีลม่มีผลมากด้วยเหตุนั้น อาตมาภาพจกย้อนถามพระองค์ในปัญหาข้อนั้นบ้างพระองค์พอพระไทยอย่างใดพึงชี้แจงอย่างนั้นพระองค์จะส่งเข้าพระไทยความข้อนั้นว่าอย่างไรณนะที่นี้การยุติพึงปรากฏเฉพาะพระพักของพระองค์สงครามพึงประชิดกันถ้ากษัตริย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกปรือไม่มีความชนานาญไม่ได้ประลองการยิง เป็นคนคลาดหวาสะดุ้งมักวิ่งหนีมาอาสาถ้าได้คนแบบนี้มาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือเปล่าและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือเปล่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์ไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลยมหาบพิตร ถ้าพรามหนุ่มถ้าแพทย์หนุ่มถ้าสูตรหนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกปรือไม่มีความชนานาญเป็นคนขลาดว่าสะดุ้งมาวิ่งหนีถ้าคนเช่นนี้มาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือเปล่าและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือเปล่าทูลตอบว่าไม่พึงจุบเลี้ยคนนั้นและไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลย มหาบาพิษพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นอย่างไรณที่นี้การยุดพึงปรากฏเฉพาะพระภาคของพระองค์สงครามพึงประชิดกันถ้ากษัตริย์หนุม่มหรือพราหมณหนุม่มหรือแพทย์หนุม่มหรือสูตรหนุม่มเป็นผู้ศึกษาดีได้ฝึกปรือแล้วมีความชํานาญได้ฝึกการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขลาดไม่หวาดสะดุ้งไม่หลบหนี มาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นและพึงต้องการคนเช่นนั้นหรือเปล่าทูลตอบว่าพึงชุบเลี้ยงคนนั้นและพึงต้องการคนเช่นนั้นฉันนั้นแหละมหาบาพิตรแม้หากว่ากุลระบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดละกุลระบุตรนั้นเป็นผู้ลักองค่าเป็นผู้ประกอบด้วยองฆ่า ทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้นจากตระกูลนั้นย่อมมีผลมากองห้าอะไรบ้างอันกุลบุตรนั้นละได้คือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทความคิดปองร้ายทีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมอุทธจกักขุดกุดจัความฟุ้งซ่านแล้วร้อนใจแล้ววิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในธรรมองหานี้แหละอันกุลบุตรนั้นละได้กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอะไรบ้างคือกุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ของพระอาเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์ของพระอาเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์ของพระอาเสขะ เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันของพระอาเซขะและเป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนคันของพระอาเซกะคุณบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลฐานที่ให้แล้วในคุณบุตรผู้รักองค์ห้าผู้ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมมีผลมากพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่า ศิลป์ัทโนูกำลังและความเพียรมีอยู่ในชายใดพระราชาผู้ทรงการยุธพึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้เช่นนั้นไม่พึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหารเพราะเหตุแห่งชาติคือกำเนิดฉันใดธรรมะคือขันติและโสรจะจัตในที่นี้หมายถึงพระอระหรันตธรรมะคือขันติและโสรจะจัตตั้งอยู่ในบุคคลใด บุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะแม้มีชาตรกูลตำ่ำฉันนั้นเหมือนกันบุคคลพึงสร้างอาสมอันเป็นที่เรื่อนรมอาราธนารพระพหูสูตรทั้งหลายให้อยู่ณที่นั้นพึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กัด่านน้าและสร้างสะพานในที่เป็นลมพึงถวายข้าวน้า ของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยใจอันเลื่อมใสเมฆมีสายฟ้าแลบแปรบปลาามียอดตั้งร้อยคำรามอยู่ตกรถแผ่นดินทำที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ชันใดทายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วตกแต่งโภชนาหาร เลี้ยงว่า น, นิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มน้ำเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้และทายกนั้นบรนลือเสียงเหมือนแม่คำรามเมื่อฝนกำลังตกสายท่านแห่งบุญอันภัยบูนนั้นย่อมลังรถทายกผู้ให้ชั้นนั้นปรับพระโตประมะสูตร ว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุษภูเขาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกสลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลว่ากษัตริยราชผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วพูดถึงซึ่งความมั่นคงในชนบท ชนปตัตตภีมณฑลใหญ่แล้วรอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้ข้าพระองค์ก็ขวนขวายในราชกรณียกิจอันนั้นมหาบาพิษพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรณที่นี้ราชบุรุษของพระองค์ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิตตะวันออกเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะใต้ป่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์มาจากทิศตะวันออกณทิณนั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆ ก, กำลังกลิ้งบทสัตว์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงกระทาสิ่งที่พึงกระทาเถิดบุรุษคนที่สองผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศตะวันตกบุรุษคนที่สามมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศเหนือต่อจากนั้นบุรุษคนที่สี่ ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศใต้เข้าเป้าและกราบทูลว่าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆ ก, กำลังกลิ่งบทสัตว์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงกระทาสิ่งที่พึงกระทาเถิดเมื่อมหาภัยร้ายกาศที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ ควรกระทาําในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมหาภัยร้ายกาจที่จะทําให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทาําในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากนอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบวพิต อาตมาภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบชราและมรณะยอมครอบงำพระองค์เมื่อชราและมรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทำถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชราและมรณะครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทำนอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริตราที่ราชผู้ดได้มุรธาพิเศษแล้ววัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในการกลุ่มรุมแล้วพูดถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัตตพีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงทำการรบด้วยพลช้างเหล่าใดเมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่กติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยพลช้างแม้เหล่านั้น และโดยในยะเดียวกันกษัตริย์ยุราชผู้ได้มรดาพิเศษแล้วผู้ชนะปัตพีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงทําการรบด้วยพลม้าเหล่าใดรบด้วยพลรถเหล่าใดรบด้วยพลเดินเท้าแม่เหล่าใดเมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่กติไม่ใช่วิสัยที่จะทําการรบถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชตระกูลนี้ มหาอัมมายผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายค่าศึกที่ยกทัพมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อชาราและมรณะรอบงาอยู่ก็ไม่ใช่กติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งในราชตระกูลนี้เงินทอง ท, งทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศ ซึ่งพวกค้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมื อ, อยุแยให้ข้าศึกที่ยกทัพมาแตกกันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อชาราและมรณะครอบงำก็ไม่ใช่กติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยทรัพแม่เหล่านั้นข้าแต่พระองคุเจริญก็แลเมื่อชาราและมรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทา นอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิษก็เมื่อชาราและมรณะครอบงำอยู่เอาไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทานอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ พระผู้มีพระภาคผู้สุกศาสดาได้ตรัสขถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้เขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลาสูงจดท้องฟ้ากลิ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมรณะก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงามสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์รามแพทสูตรคนจันทานหรือคนเทขยะ ไม่เว้นไครๆไว้เลยยอมยม่ำยีเหล่าสัตว์ทั้งสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาทางใจบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์โกสละสังยุตหรือโกสละสังยุตจบปริบูรณ์